ก็พยายามจะขนทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในบ้านออกไปจากกรองเพลิงจะได้ความตื่นตกใจก็แทนที่จะไปหยิบโนดที่ดินหรือว่าเพชรนินจินดาขมากับแบกโอง่งออกมาจากบ้านในองค์นี่แถมมีน้ำด้วยนะไอตอนแบกนี่ก็ไม่รู้สึกหนักนะ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 ก็ไปความหมาบเข้าอกว่าไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นหนามนก็ทิ่มเอานะหรือว่าไปเห็นก้อนหินนึกว่าเป็นกองนุ่นแล้วนะก็เลยไปกลายไปเตะมันหรือเห็นเป็นฟุตบอลก็หมายว่าจะไปเตะมันกอกว่า ไปเตะเอาหินเข้าปวดพอปวดเข้าเป็นงเกิดโทสะนะไอตอนที่เห็นก้อนหินนึก ว, ว่าเป็นฟุตบอลเนี่ยอยากไดนะ้หยิบมันขึ้นมาไอตอนอยากได้นี่ก็เรียกว่าโลภะหนาแหลมนึก ว, ว่าเป็นดอกไม้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 แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีนาำแหลนซ่อนอยู่นะหรือว่าแท้จริงแล้วมันเป็นของหนักแต่เพราะความไม่รูนะ้เราก็เลยไปเกี่ยวข้องกับมันยังไม่ถูกต้องไม่ระมัดระวังเจอหินก็แบกหรือไม่ก็ไปเตะเอา เจอหนาก็ไปจับมันเข้ามาอันนี้เพราะความหลงเพราะความมีอวิชชานะความไม่รู้ที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างที่เราสวดทมวัาตอนเช้าเนี่ยว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้เป็นตัวทุกข์ขันทั้งห้านี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันเป็นตัวทุกข์ก็หมายความว่ามัน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 ่านแดงๆเนี่ยถ้าเราไปหยิบมันขึ้นมามันก็ร้อนแต่หลายคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นหรือไปเข้าใจว่ามันเป็นเป็ น, ปนทองเป็นเพชรนินจินดาก็อยากครอบครองมันหรือถ้าปุ้ยให้มันชั้นหน่ยคือมันก็ว่าเห็นกล่องอยู่กล่องหนึ่งก็นึกว่าเป็นกล่องกล่องเพชรอยากได้ทุกคนก็แย่งกันอยากได้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 มีเมื่อไหร่ก็หนักใจเมื่อ น, นั้นนะคนที่มีตาแหน่งสูงๆทีแรกก็ดีใจนะที่ได้ตาแหน่งนะเป็นผ อ, อ, อเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นอาิบดีเป็นเอกประกรรสวงรัฐมนตรีมีความสุขดีใจแต่ว่าก็มีความกังวลหลังจากนั้นก็กังวล กัวหรือกลัวว่าคนหนึ่งก็จะมาแย่งออกไปมาแย่งเอาตําแหน่งไปก็กลายเป็นอยู่ร้อนนอนทุกไปอันนี้เรียกว่าเจอหนามเจอหนามมันทิ่มเขาแล้วหรือว่าไปแบกของหนักซะละเจอของร้อนละเนีอันนี้คือความจริงนะที่มันมีอยู่หรือเป็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าว่าเนี่ย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 เจ็บเพราะอะไรเพราะเบ็ดมันแทงเอาเบ็ดมันซ่อนอยู่ทีแรกหมอไม่เห็นนะแต่พอเข้าไปคว้ามันเบดมันก็แสดงตัวทิมเข้าไปเจ็บดีใจได้ประเดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยความเจ็บความปวดความทุกข์อันนี้แหละคือความหมายที่ว่าสิ่งทั้งมวลเป็นทุกข์ก็คือว่ามันมันมีความทุกซ่อนอยู่มากบ้างน้อยบ้างและพร้อมจะแสดงตัวออกมา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 ของร่างกายของเราที่เราคิดว่ามันไปเป็นของดีของกระเริดที่เราเชื่อมันจะให้ความสุขกับเราได้เราทนุถนอมมันแต่ยังไงก็ตามมันก็เจือไปได้วยทุกข์ซึ่งตอนหนุ่มๆสาวๆอาจจะแสดงตัวไม่บ่อยนะักแต่ว่ามันซ่อนอยูนะ่ความแก่นี่มันก็แสดงตัวตลอดเวลาแต่มันแสดงตัวเทเลนิดทลนิ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 ดูเหมือนนิ่งแต่ที่จริงไม่นิ่งนะมันขยับตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่เห็นในร่างกายมันก็มีความแก่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเองในร่างกายเรารมีความตายเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้ไม่สังเกตมีคนก็ประมาณว่าเนี่ยในร่างกายเรารมีเซล์ตายทุกวันเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0ถึงแสล้านเซลห้า0 0 0 0 0ถึงแสล้านเซลมัน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 ปรารถนานะโดยที่มองไม่เห็นโทษของมันเลยอันนี้เรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้หรือว่าโมหะด้านนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ที่ทางพาันธุศาสตร์มุทัยนะสมุทยัยต้นเหตุแห่งทุกข์นะก็คือการที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยความไม่รู้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 ถ้าเรารู้ว่ามันอยู่บนพืชเราไม่ไปเตะมันเราก็เดินหลีกเราก็ไม่ทุกข์ปลาที่มีก้างถ้าเรากินระมัดระวังก้างมันก็ไม่ตาคอนหลายคนก็รู้จักวิธีกินปลานะปลาจะมีก้างยังไงก็ไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะว่าระมัดระวังเพราะว่ามีสติรู้ตัว ก็ทำให้ก้างเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นก็เปิดเมื่อคนที่มีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วแม้จะรู้ว่าโอ้ยตรงนี้ก็หินตรงนี้ก็น้ำนะตรงนี้ก็ฐานก็แดงๆงแต่ว่าก็เดินผ่านไปได้อย่างสบายโดยที่ไม่เจ็บไม่ปวดนะไม่ทุกข์อะไรเพราะว่ารู้ไงรู้แล้วก็รู้จักหลบจักรีนะไม่ถือฐานแดงไม่เตะ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 มากมายทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ถ้าเราใช้มันไม่เป็นมันก็ใช้เราแทนมันกลายมาเป็นนายเราพอเงินมาเป็นนายเราหรือทรัพย์สมบัติเป็นนายเราหรือชื่อเสียงเกีเกยรติยศเป็นนายเรามันก็สามารถทําให้เราทําร้ายซึ่งกันและกันได้น้องฆ่าพี่พี่ฆ่าน้องก็เพระเงินพราะมรดกบางทีลูกฆ่าแม่ก็เพอาะมรดกหรือลูกฆ่าพ่อก็เพราะ ราชสมบัติหรื อ, อยังตำๆก็ขอรับชั่นทำผิดกฎหมายทำผิดศีลผิดธรรมก็เพื่อเงินอันนี้แสดงว่ามันเป็นนายเราแล้วหน้าที่ปล่อยให้เป็นนายเราเพราะความไม่รู้อวิชชาพวกเร า, า จ, จะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าไอ้ความไม่รู้ก็ทําให้เราไปแบกยึดสิ่งต่างๆมากมายเอาคําพูดคําจาของผู้คน ที่ไม่ไพรานะคําวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าดาทอมาทิ่มแทงใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับ น, น้ำนะน้ํานี้ถ้าเรามาวางถ้าเราไม่ไปเดินเตะมันหรือถ้าเราวางไว้ที่มือเฉยๆไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเราไปกรรมมันนะมันก็ทิ่มเอาได้หรือว่าเปรียบได้กับเศษแก้วนะที่มันแหลมคมถ้าเราวางไว้ที่มือเฉยๆมันก็ไม่เป็นอะไรแต่เราไปกรรมมันเมื่อไหร่ เศษแก้มก็บาดนิ้วบาดมือ อ, อย่าไปโทษเศษแก้วนะว่ามันทําให้เราเลือดไหลต้องไปโทษตัวเรานะว่าทําไมไปกรรมมันเอาไว้ทำไมกรรมแล้วไม่พอไปบีบด้วยนะีคนเราต้อจะไปโทษเศษแก้วก็ทำให้ฉันเจ็บฉันเจ็บเหมือนกันที่เราไปโทษคําพูดหรือการกระทำของของคนบางคนเช่นเจ้านายเพื่อร่วมงานหรือคนรักนะว่าทําให้ฉันทุกข์ คำพูดเรานะั้นมันก็เป็นเหมือนกับเหมือนกับลมนะที่ผ่านมาแล้วก็มาแล้วก็ไปคำพูดวนนี้เขาเรียกว่าลมปากนะลมปากนี่มันก็มาแล้วก็ไปแต่ทําไมมันยังค้างอยู่ในใจเราได้เพราะใจเราไปช่วยไปยึดเอาไว้แล้วลมปากนี่ถ้าไปแบกไปเยอดไว้นะมันหนักยิ่งกว่าหินอีกนะลมปากนี่มันไม่มีน้ําหนักแต่พอใจไปแบกไปยึดไวน้นี่มันหนักทีเดียวนะ หนักอกหนักใจเราหนักอกหนักใจนี่รว้แล้วแต่สิ่งนี้มันเป็นนามธรรมา ท, ทั้งนั้นแม้เราจะหนักใจเรื่องรถเรื่องบ้านแต่จริงไอ้ที่หนักอกหนักใจ ค, คือคือความคิดถึงมันพอคิดถึงบ้านพอคิดถึงรถนะที่ต้องผ่อนหนักใจเลยอันนั้นแหละไอ้ความคิดมันเป็นนามธรรมานะแต่มันทำให้เราทุกข์ได้บางทียิ่งกว่าแบกของหนักจริงๆยิ่งกว่าแบกก้อนหินสิ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 ถ้าเรารู้สึกตัวอ ย, า ง, อยางมีสัมปชัญญะจริงๆนี่ความงวงเหนยมันหายปไปมันมีแต่ความตื่นความเบานะความแจ่มใสซึ่งก็ทำให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและ ส, สติสัมปชัญญะนี่แหละที่จะนำพาเราไปสู่การมีปัญญาการการมีวิชามาแทนที่อวิชานะการเจริญสติมันจะนำไปสู่การ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 น, นี้คือความจริงเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ซึ่งจะทำให้การอยู่ในโลกนี้นะมันลดความทุกข์ไปได้เยอะแล้วก็จะคุ้มค่ากับการที่เราเสียเวลามาปฏิบัติเอาละชาตินี้เราพูดกันเท่า น, นี้ับครับ